ทุกวิดีโอเรื่องหนึ่งนะที่เข้าใจว่าแพร่หลายนะไปทางไลน์พอสมควรนะวิดีโอนี้ก็สั้นๆ น, นะสนาทีเสร็จๆเจข้าใจว่าถ่ายทาที่ประเทศอินเดียก็เป็นภาพชายผู้หนึ่งนะเป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งเขา้าใจวเป็นข้าราชการก็กําลังเซ็นเอกสารนะเอกสารก็นําเสนอมาเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มเนี่ย เขจวเป็นการเซ็นอนุมัติหรือเซ็นอนุญาตพอเปิดแฟ้มมาเนี่ยก็จะมีธนบัตรนะสอดอยู่นะธนบัตรที่ก็ประมาณร้อยหรือว่า500ร้ยนะชายผู้นั้นเนี่ยก็ก่อนจะเซ็นแกก็จะหยิบทนบัตรนะใส่กระเป๋านะแล้วจึงค่อยเซ็นนะเข้าใจว่าเป็นเงินเหมือนกับว่าศินบนนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในหลายที่เนี่ย หลายแห่งข้าราชการนี่จะเซ็อนอนุมัติอะไรได้ก็ต้องมีเงินแล้วก็เปิดนะแฟ้มแล้วแฟ้มเล่านะแล้วทุกแฟ้มนี่ก็มีเงินติดอยู่นะพอมาเปิดอีกแฟ้มหนึ่งรากว่ามองไม่เห็นเงินไม่เห็นทนบัตรแจ้าก็พลิกดูนะตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนะข้อเอกสารก็ไม่เห็นไม่เห็นเงินเลยไม่มีทนบัตรอะ สอดอยู่ก็เลยคว้างทิ้งนะเอเอิญเนี่ยลูกสาวเนี่ยกำลังทำกันบ้านนะอยู่ใกล้ๆเห็นพ่อโยนแฟ้มทิ้งเนี่ยแกก็เลยไปเก็บมาเอามาให้พ่อนะพ่อพลิกดูก็ไม่เห็นมีเงินไม่มีทนบัตรสอดอยู่ก็ก็เลยทิ้งไปไม่สนใจนะไปเปิดแฟ้มใหม่นะที่มีเงินมีทนบัตรนะสอดอยูอ่ลูกสาวเนี่ยนะรอสักพักก็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 อยู่ในสมุดนั่นแหละเด็กเนี่ยนะไปแค่กระปุกมาเอาเงินเนี่ยนะมาสอดไว้ใต้ไว้ไว้ในสมุดนะเพราะเข้าใจว่าที่พ่อไม่เซ็นเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีเงินพอพ่อเนี่ยเห็นเงินนะเห็นเหรียญเนี่ยแทนที่จะดีใจคนนี้เสียใจเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะ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 จบลงโดยที่ว่าพ่อเนี่ยรู้สึกผิดนะว่าได้ทได้มีพฤติกรรมนะที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับลูกอันนี้ก็เป็นการสอนนะสอนสอนเราเตือนใจคนว่าเนี่ยคนที่ชอบ corruption เนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมีผลตอบแทนเนี่ยสักวันหนึ่งนะมันก็จะส่งผลเสียนะกับลูกลูกก็จะมีนิสัยนี้นะจากพ่อนะเริ่มต้นก็อาจจะจะทำอะไรเนี่ย นะก็ต้องมีผลตอบแทนหยิบยื่นให้จะให้พ่อเซ็นชื่อนะก็ต้องมีเงินให้พ่อลูกไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าพ่อเนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าความชั่วนี้ที่ตัวเองทำเนี่ยอาจจะสุขสบายชั่วคราวนะแต่ว่ามันเกิดผลเสียมากมายนะนอกจากมันผิดศีลนอกจากมาเป็นบาปแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูก แล้วมันก็เป็นการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างนะพ่อกับลูกได้ด้วยมันมีเรื่องราวทานองนี้นะแต่จะไม่ใช่เป็นเรื่องการคอร์รัปชันนะแต่เป็นเรื่องการของคนที่เรียกว่าเอาเงินเป็นเป้เปาหมายชีวิตนะทำแต่งงานนะพ่อคนหนึ่งเนี่ยทำแต่งงานกับบ้านก็ดึกแต่เช้าก็ไปทํางานแล้วสาววัททิศก็ไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัว ไม่มีเวลาให้กับลูกลูกอยากจะพูดคุยกับพ่อหรือลูกอยากจะให้พ่อไปเที่ยวพาไปเที่ยวลูกพ่อก็ไม่มีเวลาถามทีไรก็บอกว่าพ่อไม่ว่างลูกถามว่าทำไมถึงไม่ว่างพ่อก็ต่อต้องไปทำงานนะทำไมถึงจะไปทำงานก็ไปหาเงินนะพ่อก็บอกว่าเวลานะแต่และวันแต่และวันแต่และชั่วโมงมันมีค่านะเวลาเป็นเงินเป็นทองลูกก็เสียใจนะว่าพ่อเนี่ย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 ลูกก็เอาเงินมาให้พ่อเนี่ยห้าร้อยบอกว่าพ่อวันนี้พ่อไม่ต้องไปทำงานนะเดี๋ยวหนูเนี่ยขอเวลาพ่อสักครึ่งชั่วโมงนะพ่ออยู่กับลูกได้ไหมนะห้าร้อยบาทเนี่ยนะมันก็พอจะซื้อเวลาพ่อได้สักครึ่งชั่วโมงนะพ่อนะพ่อเห็นอย่างนี้พ่ออึ้งเลยถ้าเราเป็นพ่อนะหรือเราเป็นแม่เนี่คงจะอึ้มกันนะถ้าหากลูกนะมาบอกกับเราอย่างนี้นะ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 แต่ก่อนมันมีคำว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมเดี๋ยวนี้มันมีคำว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนี่คือใครนะก็คือคนจำนวนมากนะที่มีลูกนะแล้วก็คิดว่านะแค่หาเงินมาให้ลูกนะหรือว่าสร้างความพั่งพร้อมบริบูรณทางวัตถุให้กับลูกมีเงินส่งเสียลูกไปโรงเรียนดีๆนะอันนี้ก็พอแล้วแต่สิ่งสำคัญก่อนน้นคือเวลาเวลาที่จะให แล้วก็ไม่ควรจะเป็นเวลาสำหรับการสั่งสอนเท่านั้นนะการสั่งสอนเนี่ยเจยตนาดีนะแต่ว่าพอลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่คือพอลูกเนี่ยนะ่าจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แล้วพ่อแม่แล้วคนจะบ่นว่าลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่เลยถ้าสาวไปจริงๆนะ่าก็จะเพราะว่าที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่ก็เพราะว่า ตอนที่ลูกยังเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยฟังลูกเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาของพ่อแม่เนี่ยบนตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นลูกไม่ฟังพ่อแม่แต่ไม่ค่อยได้ถามว่าไอ้ตอนที่ลูกเด็กๆ เ, เนี่ยนะพ่อแม่ได้ฟังลูกบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเอาแต่สั่งเอาแต่สอนพูดฝ่ายเดียวนะแล้วก็ถ้าไม่แนะนําถ้าไม่สั่งสอนก็ห้ามโ น, น่นห้ามนี่พอลูกโตขึ้นนะลูกก็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 การพูดคุยมันก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะพ่อพูดพ่อพูดก็ลูกฟังนะลูกพูดพ่อก็ฟังบ้างอันนี้มันจะสร้างบรรยากาศที่ทําให้นะมีความาคุ้นเคยกันนะแต่แล้วเนี่ยพอมีบรรยากาศแบบนี้นะพ่อพูดลูกฟังนะลูกฟังลูกพูดพ่อก็ฟัง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 ออกไปนอกบ้านนะพ่อก็เล่นลายแม่ก็เล่นเฟซนะอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันนะถึงเวลาพอลูกโตขึ้นนะลูกมีอะไรลูกก็ไม่ไม่มาบอกพ่อแม่ตูกมีความทุกข์เรื่องเพื่อนมีความทุกข์เรื่องแฟนก็ไม่มาบอกพ่อแม่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเช่นกินเหล้าติดผู้หญิงพ่อแม่สอนพ่อแม่บอกลูกก็ไม่ฟังนะอันนี้พ่อมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในวัยเด็กที่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับกันและกัน รวมทังการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแล้วก็เตรียมรับ